วันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดถ้าเป็นทางโลกก็เป็นวันที่ มีการเปิดงบบัญชีมีการทำบัญชีดูผลจากการปฏิบัติประกอบการงานมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีว่าได้กำไรหรือขาดทุนถ้ารายจ่าย มากกว่ารายรับ ก, ก็แสดงว่าขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่ากำไรถ้าขาดทุนก็ไม่สบายใจถ้ากำไรก็สุขใจสบายใจเรื่องของใจเราก็ เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใจของเราก็มีรายรับและมีรายจ่ายถ้าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายเราก็สบายใจมีความสุขใจถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับเราก็จะไม่สบายใจ รายรับรายจ่ายของใจก็คือบุญและบาบนี่เองถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปใจของเราก็จะเป็นบวกมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ถ้าใจเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับคือมีบุญมีบาปมากกว่าบุญ ใจของเราก็จะติดลบใจก็จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขถ้าเกิดเราต้องตายไปในวันนี้ถ้าใจเป็นบวกใจก็ได้ไปสู่สุขติถ้าใจเป็นลบใจก็ต้องไปอบายเพราะนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่ควบคุมใจของเราให้เป็นไปต่างๆนานาดังที่มีสุภาษิต ท, ที่ทรงกลัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆกันกรรมก็คือการกระทําที่เรียกว่าบุญหรือบาป เทวดาอินพรณมนี้ก็เกิดจากการทำบุญส่วนเดรัจฉานเปรตอาศรกายนรกก็เกิดจากการทำบาปสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอะไรต่างกันนี้ก็เป็นต่างกันที่เหตุคือการกระทำดังนั้นในวันสิ้นปีนี้พวกเราจึง มารีบเติมบัญชีบุญกันถ้าเผื่ อ, อยังติดลบอยู่ถ้าเราเติมบุญกันให้เต็มที่เราก็ยังสามารถทำบุญทำใจของเราให้ได้กำไรได้อยู่ทำให้ติดให้ให้ติดบวกไม่ให้ติดลบได้บุญที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันนั้นก็มีอยู่ สิบประการด้วยกันเกอ 1. หนึ่งบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานสองบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปเรียกว่าศีลสามบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าภาวนาสี่ บุญที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเรียกว่าการอุทิศบุญกุศลบุญที่ห้าบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่นหกบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเจ็ด บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแปดบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเก้าบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องและสิบบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือบุญสิบประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมันกระทำกันอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องถ้าจะแบ่งบุญเหล่านี้ก็สามารถแบ่งไว้ได้เป็นสองส่วนบุญที่เป็นบุญหลักและบุญที่เป็นบุญเสริมเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเรามีอาหารหลักและมีอาหารเสริม เ็กเราต้องกินข้าวกินกับทุกวันส่วนขนมนมเนยอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากกับข้าวกับปลาก็เป็นของเสริมกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่อาหารหลักคือข้าวปลาอาหารนี้เราจำเป็นจะต้องกินอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรา อยู่อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่ความตายบุญที่เป็นบุญหลักของพวกเราก็คือทานการให้ศีลการไม่ทำบาปภาวนาการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การฟังเทศฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้อง นี่ถือว่าเป็นบุญหลักที่เราควรที่จะทำที่ควรจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนบุญรองบุญเสริมนั้นก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการร่วมทำร่วมอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่ เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่เป็นบุญเสริมบุญที่เราทําบ้างก็ได้ไม่ทําบ้างก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่ได้ทําเอแต่บุญที่เราต้องทํานี้ก็มีการให้ทาน เราควรที่จะแบ่งปันเสมอไม่ควรที่จะเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเวลาเราได้ทำทานแล้วจะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความอยาก มากจะไม่อยากได้เงินทองเข้าของต่างๆมากเกินความจำเป็นจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการมาหาเงินหาทองหาข้าวหาของต่างๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวที่จะจางหายไปหมดแล้วจะทำให้ เกิดความอยากที่จะต้องหามาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยก็จะหายไปหมดความสุขที่ได้รับจากการทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปทำตามความอยากต่างๆไปซื้อความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเอามาทำทานแทน เอามาให้คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นให้ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนเราก็จะได้บุญคือความสุขใจทำให้เราไม่ต้องไปใช้เงินซื้อความสุขผ่านทางร่างกายอย่างเช่นในช่วงวันหยุดวันสิ้นปีขึ้นปีใหม่นี้ คนที่ไม่ทำบุญกันมักจะต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกัน เ, เพื่อที่จะได้ให้ความสุขแก่ใจแต่เป็นการให้ความสุขเดี๋ยวๆพอกลับไปก ล, บกลับไปใบบ้านกลับจากการเที่ยวความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะไปเที่ยวอีก ก็ต้องไปหาเงินหาทองกันอีกเพื่อที่จะได้มาเที่ยวกันอีกแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้มาทําบุญมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญกันก็จะทําให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขกลับไปถึงบ้านเราก็ยังมีความอิ่มมีความสุขอยู่ แล้วก็จะทำให้เราไม่ได้มีความอยากที่จะไปเที่ยวถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่บ้านได้เราก็อยู่บ้านทำบุญที่บ้านได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ทำใจให้สงบได้ให้มีความสุขได้นี่คือทานที่เราควรจะทำกันอย่างต่อเนื่องอย่างสมัยก่อนนี่ ก็จะเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านที่จะใส่บาตกันทุกวันเพราะทุกหมู่บ้านนี้ก็จะมีวัดกันแล้วก็จะมีพระมาบิณฑบาตชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสทำบุญกันทุกวันใส่บาตกันทุกวันในสมัยปัจจุบันนี้การกินการอยู่ไม่เหมือนกับเมื่อก่อน เดีย๋ยนี้จะเป็นเมืองใหญ่ซึ่งบางทีก็จะหาพระใส่บาตรไม่ได้เราก็สามารถที่จะใส่บาตรได้ด้วยการแบ่งเงินที่เราจะเอาไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเอาใส่บาตรนั้นใส่ไว้ในกระปุกหรือแยกบัญชีไว้ส่วนหนึ่งว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีสําหรับการทําบุญใส่บาตร ทุกวันเราก็ใส่เข้าไปในบัญชีนี้ตามจำนวนที่เราอยากจะใส่ทำทุกวันเหมือนกับว่าเราได้ใส่บาทแล้วพอถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างเราจะไปวัดเราก็สามารถนำเอาเงินที่เราแยกไว้ในบัญชีบุญนี้เอาไปทำบุญที่วัดได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ บางทีเวลาถึงเวลาที่เราอยากจะทําบุญเราก็อาจจะไม่มีเงินทาบุญก็ได้เพราะเราถูกความอยากความหลงหลอกให้เราเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆจนลืมเรื่องของการทําบุญไปพอถึงเวลาจะต้องทําบุญก็อาจจะทําได้ไม่มากทําได้น้อยไม่เหมือนกับถ้าเราทําบุญเป็นประจําทุกวัน เวลาเล็กเวลาน้อยการทำบุญทุกวันนี้มันจะทำให้ติดเป็นนิสัยไปด้วยจะทำให้เราไม่ลืมบุญจะทำให้เราสร้างบุญอยู่ทุกวันถ้าเราปล่อยให้ทาไปตามอารมณ์ตามความนึกอยากจะทำมันนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเช่นจะเกิดขึ้นในช่วงอย่างเนี้ยวันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่ วันที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่จะทำให้เราเกิดความอยากจะทำบุญกันขึ้นมาซึ่งปีหนึ่งอาจจะมีไม่กี่ครั้งไม่ถึงสิบครั้งวันที่เราอยากจะทำบุญกันเช่นวันปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่าวันเกิดวันสำคัญทางาศาสนาเช่นวันมาคาวิสาขะ อาซาถาบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษาถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญน้อยกันแล้วพอเรามาอ่าทำบัญชีปิดงบบัญชีเราก็อาจจะมีบุญน้อยกับบาปที่เราได้ทำไว้ดังนั้นเราจึงควรที่จะทำทานอยู่ทุกวัน ทำแบบที่พูดนี้ถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านให้เราได้ใส่บาตรหรือเราไม่สะดวกที่จะใส่บาตรเราก็เอาเงินใส่บาตรนี้เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินนี้โดยเด็ดขาดต้องถือว่าเงินนี้เป็นเงินที่เราได้ทําบุญไปแล้วเป็นของวัดไปแล้วแล้วรอเวลาที่เราไปวัดเราก็เอาเงินนี้ไปถวายวัด ถ้าเราอยากจะทำบุญกับที่อื่นก็ยังทำได้ก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเห็นว่าวัดนี้มีเงินทองมากเกินความจำเป็นต้องมีอยากจะทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรสาธารณองค์การกุศลต่างๆก็ได้ที่เราเห็นว่าเขาทำประโยชน์ให้แก่สังคม ทำให้สังคมอยู่การอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็ทำได้เหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันเป็นอาหารใจการให้นี่เป็นอาหารใจทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความพอไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้สิ่งต่างๆเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ทำบุญนี่คือ เรื่องของการทำบุญทำทานทำแล้วก็เราก็ทำให้เรามีบุญที่เราจะอุทิศบุญได้การอุทิศบุญนี้ก็คืออุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วไม่ได้อุทิศให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่ต้องทำเองบุญอุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยเป็นเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทำทั้นั้น เป็นประโยชน์กับผู้ผู้ที่ตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวไปเท่านั้นเองผู้ที่ตายไปแล้วมีบุญอย่างพวกเราถ้าเราทําบุญอย่างสม่ําเสมอเวลาเราตายไปนี้เราจะมีบุญมากกว่าบาปเราก็ไม่ต้องอาศัยบุญอุทิศเพราะเรามีบุญติดตัวไปมากแต่ผู้ที่มารอรับบุญอุทิตนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ทําบุญกันหรือทําน้อยมาก ทำอย่างที่พูดนี้ปีเราไม่กี่ครั้งกี่หนแล้วก็ทําบาปมากกว่าพอตายไปดวงวิญญาณก็เลยต้องไปเป็นขอทานเพราะไม่ได้มีบุญติดตัวไปบุญนี้ก็คือทรัพย์ของของใจที่จะเป็นร่างทิพตเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาร่างกายหยาบตายไปแล้วเหลือแต่ร่างทิพตเนี่ย ร่างทิพ์ก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้นถึงจะมีความสุขเป็นเหมือนอาหารของใจผู้ที่เป็นขอทานนี้จึงต้องมาคอยรอรับส่วนบุญอุทิศของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอและไม่และมีบุญมากกว่าบาป เวลาตายไปก็จะไปเป็นเทวดากันไปเกิดในสวรรค์กันก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องมารอรับส่วนบุญนแล้วผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องนี้ก็จะทำให้มีจิตใจที่ดีคือมีความเมตตามีความกรุณามีความปรารถนาดีคิดดีต่อผู้อื่นเวลาจะทำอะไรจะระมัดระวัง ไม่ให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนจะเกิดเป็นธรรมชาตินี้ขึ้นมาภายในใจของผู้ที่ทำทาทานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สามารถสร้างบุญระดับสูงขึ้นไปได้ก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือการไม่ทำบาปห้าประการด้วยกัน คือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาถ้าไม่ได้ทำทานจิตใจจะแข็งกระด้างจิตใจจะมีความโหเที่ยมไร้ความเมตตากรุณาก็เวลาจะรู้สึกรักษาศีลยากแต่ทานนี้จะทำให้ใจอ่อนลงมาจะทำให้ใจเป็นใจที่มีความเมตตากรุณา มีน้ำจิตมีน้ำใจจะทําให้ไม่อยากจะทําบาปแล้วก็จะทําให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายผู้ที่ไม่ทําทางนี้จะรู้สึกรักษาศีลลําบากไม่อยากจะรักษาเพราะความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีกําลังมากจะทําให้เวลารักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคต่อ การกระทําสิ่งต่างๆที่ตนอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่คนที่มีการให้ทานอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่มีอุปสรรคต่อการรักษาศีลถ้ารักษาศีลได้ก็คือจะปิดประตูอบายได้ตายไปเวลาตายไปนี้บัญชีจะบวกติดบวกเสมอบุญจะมีมากกว่าบาป การรักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่องรักษาศีลห้าเป็นนิจฉินเกิเป็นเป็นนิสัยจะไม่ทําบาปยกเว้นในกรณีที่พังเพลหรือลูกแก่โทสะโมหะหรือโลภะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นปกติแล้วจําไม่ทําโดยเด็ดขาดถ้าสามารถรักษาศีลได้อย่างเป็นปกติอย่างนี้ เวลาสิ้นปีอย่างวันนี้ถ้ามาทบทวนมาดูบัญชีบุญกับบัญชีบาปรับรองได้ว่าบัญชีบุญนี้จะต้องมากกว่า บ, บัญชีบาปอย่างแน่นอนถ้าทำบะทาทานอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วรักษาศีลได้ทุกวันทุกวันเวลาสิ้นปีนี้จะได้กำไรถ้าเป็นบริษัทก็จะมีเงินโบนัสแจกให้กับพนักงาน เวลาตายไปผู้ที่ทำทานนัรักษาศีลได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่รักษาศีลได้นี้สามารถรักษาศีลที่สูงกว่าศีลห้าได้ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ ก็คือสวรรค์ชั้นพรหมผู้ที่อยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมจำเป็นจะต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องบาเพ็ญบุญอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือขั้นแรกของการภาวนาเรียกว่าสมถภาวนาถ้ารักษาศีลแปดได้บาเพ็ญสมถภาวนาได้ ใจก็จะมีบุญในระดับของพรมถ้าเกิดตายไปใจก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพที่ไดจากการบาเพ็ญทานศีลและสมถะภาวนานี้จะเป็นสวรรค์ที่มีการเสื่อมได้คือบุญที่ได้สร้างไว้นี้เป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมใส่ในรถยนต์ แล้วเราก็ขับรถยนต์ไปตามสถานที่ต่างๆไม่นานน้ำมันที่อยู่ในถังรถยนต์ก็จะหมดไปเมื่อหมดไปรถยนต์ก็ต้องกลับไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ามันใหม่ใจก็เหมือนกันเวลาใจได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้เจริญสมถาภาวนาทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิเวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นพรหมไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วพอเวลาผ่านไปบุญที่ได้รับจากการสร้างพรห ม, มโลกนี้สร้างการเป็นพรมนี้ก็จะเสื่อมหมดไปใจก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ พอบุญระดับชั้นเทพหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับการไปจอดรถที่สถานีบริการเพื่อจะได้เติมน้ามันใหม่นั่นเองเพื่อรถจะได้วิ่งต่อไปได้พอพวกเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ใจที่มีนิสัยชอบทาทานชอบรักษาศีลชอบภาวนา ก็จะกลับมาทำทานใหม่รักษาศีลใหม่ภาวนาใหม่เหมือนท่านทั้งหลายมาทำกันในวันนี้ไม่มีใครบังคับมาให้ทำมาเพราะเป็นจิตใจเป็นความพอใจที่มีฝังอยู่ในใจที่เป็นนิสัยซึ่งอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันไปนิสัยของบางคนก็มีมากคือมีความผูกพัน ต่อการทำทานรักษาศีลภาวนามากบางคนก็มีน้อยอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันสิ้นปีก็เลยมากันก็ได้งนั้นบุคคลที่มาที่สถานที่ในวันนี้ก็อาจจะมีแรงผักนันมาไม่เหมือนกั น, นะะขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เราทำไว้ในอดีต ถ้าเราทําบุญเก่ามากบุญเก่าก็จะมีแรงผลักดันให้เรามามากถ้าเราทําบุญเก่าน้อยในอดีตก็จะผลักมาได้น้อยก็อาจจะผลักมาได้แต่ในเฉพาะวันสําคัญสำคัญอย่างวันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่นี้แต่สําหรับบางท่านนี้จะเป็นวันสิ้นปีวันปีใหม่หรือไม่ก็ตามก็จะมาอย่างสม่ําเสมอ นี่แสดงว่ามีบุญเก่ามากเป็นนิสัยพอมีโอกาสมีเวลาว่างที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาได้ก็จะมา ท, ทันทีมาฟังเทศฟังธรรมด้วยมาเสริมบุญข้อบุญที่สำคัญข้อที่สี่ร่วมกับการเจริญภาวนา สมถะวิปัสนาภาวนาซึ่งเป็นภาวนาขั้นที่สองถ้าเราอยากจะได้บุญที่ไม่เสื่อมหลังจากที่เราได้บุญระดับสมถะภาวนาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนบุญที่เป็นบุญชั่วคราวที่ได้จากสมถะภาวนาไปเป็นบุญถาวร เป็นบุญที่ไม่เสื่อมเป็นบุญของพระอริยเจ้าสี่ขั้นด้วยกันก็คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์จะได้บุญถาวรด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาคำว่าวิปัสสนาก็คือรู้เห็น สภ า, าวะาธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขาสภ า, าวะาธรรมทั้งหลายมีความจริงอย่างไรก็คือหนึ่งมีความอนิจจงมีความไม่เที่ยงมีเกิดและมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของของใครไม่มีใครที่จะไปสามารถบังคับควบคุมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เช่นธรรมชาติต่าง เช่นฝนฟ้าอากาศการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์อันนี้เป็นอนัตตาคือไม่เป็นของใครไม่มีใครจะมาจับจองเป็นเจ้าของและสั่งให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนก็ได้ลงเวลาไหนก็ได้สั่งให้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีใครสามารถสั่งได้เรียกว่าอนัตตา แต่สภาวะธรรมที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะผลฟ้าอากาศและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เท่านั้นรวมไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามารับรู้เช่นลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานี่มันก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นเราต้องศึกษา สอนให้ใจเห็นอย่างชัดเจนเพราะถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเราจะได้ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะการอยากนี้จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเรียกว่าทุกขในอริยสัจสี่ใจของพวกเราทุกนี้ไม่ได้ทุกเพราะฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ได้ทุกเพราะการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศสารเสริง ของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระของร่างกายของเราใจของเราทุกข์เพราะความอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความต้องการของเรา mm hmm. เช่นเราอยากให้ลาบยศจันลเสรินีิเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อมพอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาพอเวลาเกิดการไม่เจริญขึ้นมา mm hmm. เราก็วุ่นวายใจกันกนันหมด เช่นเรากําหนดเราทํางานมีบริษัทเราก็ต้องกําหนดว่าปีนี้จะต้องกําไรเพิ่มขึ้น 10% พอทําไม่ได้ 10% ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปดูความจริงกันว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปใช่บางเวลาเราสั่งได้บางทีเราสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้เรามันก็เป็นอย่างที่เราสั่ง แต่บางทีสั่งแล้วมันไม่เป็นแทนที่จะกำไรสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะติดลบสิบเปอร์เซ็นตก็ได้พอไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรามันก็เลยทำให้จ่ายหลอกทุกขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความรู้ความรู้ความเข้าใจในสภาพของความเป็นจริงทั้งหลายว่าเขาไม่แน่นอนปีนี้อาจจะได้สิบก็ได้หรืออาจจะลบสิบก็ได้ หรือจะเท่าทุนก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เวลาเราได้ผลมาจะได้ผลอย่างไรเราก็จะไม่ทุกข์ใจกันกำไรสิบเปอร์เซ็นตเราก็ไม่ทุกข์ใจขาดทุนสิบเปอร์เซ็นเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่กำไรไม่ขาดทุนเราก็จะไม่ทุกข์ใจนี่คือวิปัสสนาเป็นการสอนใจไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับตนเอง ความทุกนี้ไม่ได้เป็นใครไม่มีใครมาสร้างให้กับพวกเรามีพวกเราสร้างกันขึ้นมาเองด้วยความอยากเพราะไม่รู้ความจริงเพราะไปหลงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเจริญอย่างเดียวจะต้องขึ้นอย่างเดียวไม่เคยคิดว่ามันต้องมีลงบ้างพอลงก็รับไม่ได้พอไม่ขึ้นก็รับไม่ได้ทุกใจวุ่นวายใจเสียใจขึ้นมา แลวถ้าไม่ระวังระวังก็อาจจะถึงกับทำลายชีวิตของตัวเองไปเพราะไม่ได้ดังใจอยากอันนี้แหละคือวิปัสสนาเป็นธรรมขั้นสูงสุดเป็นธรรมที่จะทำให้เราสามารถรักษาบุญต่างๆที่เราสร้างไว้ได้ไม่ให้เสื่อมหมดไปถ้าเราได้บุญระดับพรหมและเรามีวิปัสสนา เราก็สามารถแปลงลมบุญระดับพรหมนี้ให้กลายเป็นบุญที่ถาวรที่เรียกว่าอริยมรรคอริยะผลได้เป็นบุญของพระอริยเจ้าสี่ขั้นด้วยกันคือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พอได้ขั้นที่สี่เราก็จะได้บุญที่เต็มเปี่ยมในหัวใจท่านก็เรียกว่าบุญนั้นว่านิพพานท่านนั้นเอง คำร่นิพานก็คือบุญที่มีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจสำหรับพระโสดาบันนี้บุญยังไม่เต็มบุญยังได้เพียงส่วนหนึ่งยังเหลืออีกสามส่วนที่ต้องเติมพอได้ขั้นที่สองพระสกิดาคามีก็ได้สองส่วนเหลืออีกสองส่วนพอขั้นที่สามก็พระอนาคามีก็ได้สามส่วนต่ยังไม่เต็ม พอได้ขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้บุญเต็มเปี่ยมถ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็นขึ้นสิบห้าคำพอเป็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขเราก็เรียกจิตนั้นว่านิพพานนั่นเองนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นที่ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดกัน อย่างที่คําเราได้ยินว่านิบานังปรมังสุญญ์อย่างนิพานเป็นความสูญญ์ที่ยิ่งใหญ่ปลมังแปลว่ายิ่งใหญ่สุญญ์แปลว่าความสูญความสูญ น, นี้หมายถึงสุญญจากความทุกข์ใยใจนี้มีแต่ความสุขเต็มไปหมดไม่มีที่ให้ความทุกข์เข้ามาได้เลยท่างหมายความว่ายอย่างนั้น ใจของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้ยังไม่เป็นปรมาณูส่นอย่างยังมีส่วนที่ความทุกขยังเข้ามาได้อยู่เช่นพระโสดาบันมีความสุขอยู่หนึ่งส่วนยังมีความทุกขเข้ามาในใจได้อยู่อีกสามส่วนด้วยกันอพระสกิดาคามีก็เหลืออีกสองส่วนที่ความทุกขเข้ามาได้ ผ้านาคามีก็เหลือออกหนึ่งส่วนที่เข้ามาได้แต่พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วความสุขเต็มไปหมดในหัวใจเหมือนถ้าเป็นน้ำเป็นถังน้ำนี่ก็เต็มไปหมดไม่มีอะไรจะเข้าไปในถังน้ำนั่นได้แล้วเพราะถังน้ำนั้นเต็มไปด้วยน้ำนี่คือความหมายว่าปรมังสุนย์ ไม่มีที่ว่างสำหรับความทุกข์ความทุกข์สูญหายไปหมดเหลือแต่ปามังสุขขังมีความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจและการที่เราจะได้ทาเหล่านี้ได้บุญเหล่านี้ก็เกิดจากบุญที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการฟังธรรมถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้วิธีสร้างบุญต่างๆเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นมาภายในใจการฟังธรรมก็เป็นการทำบุญที่สำคัญที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการทำทานการทำทานให้อาหารใจการฟังธรรมก็เป็นการให้ความรู้เพื่อที่เราจะได้เอาความรู้นี้มาสร้างบุญให้กับใจนั่นเองถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เรื่องของการทำทาน ไม่รู้เรื่องของการรักษาศีลไม่รู้เรื่องของการภาวนาไม่รู้เรื่องของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเราหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีเครื่องเตือนใจสอนใจให้เราทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆทำมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นเราก็ทําไปตามกําลังที่เราสามารถทําได้ในเบื้องต้นก่อนทําทานได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนรักษาศีลได้มากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาไปก่อนภาวนาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไปก่อนพอเราทําแล้วเกิดผลขึ้นมาเราก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาที่จะทําเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มร้อย การก็ทําอย่างเต็มร้อยศีลก็รักษาอย่างเต็มร้อยภาวนาก็รักษาอย่างภาวนาอย่างเต็มร้อยพอทําแล้วพอทําได้เต็มร้อยแล้วผลก็จะเต็มร้อยขึ้นมาผลกิเหตุมันเป็นของสอดคล้องกันผลไม่ได้เกิดจากหมอดูหมอเดาไม่ได้เกิดจากการทํานายทายทักของผู้นั้นผู้นี้แต่เกิดจากการสร้างเหตุของพวกเราเอง เราต้องสร้างเหตุให้เต็มร้อยผลมันก็จะเต็มร้อยอย่างคู่ที่เขาสร้างเหตุเต็มร้อยก็คือนักบวชทั้งหลายทานนี้เขาก็ทำเต็มร้อยมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่เขาก็จะละไปหมดเพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองนักบวชนี่เพียงแต่มีปัจจัยสี่ไว้ดำรงชีพก็พอเพียงแล้ว พอมาบวดเรื่องปัจจัยสี่ก็มีผู้อื่นอาสาสมัครมาดูแลให้มีผู้ใส่บาตรให้มีผู้สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยให้อยู่มีผู้บริจาคภาไตจจีวรให้สวมหม่มมีผู้ให้ถวายยารักษาโรคท่านก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไว้เพราะไม่เป็นประโยชน์กับการภาวนากับการรักษาศีล กลับจะเป็นอุปสรรคมากกว่าจะเป็นเหมือนกับตัวถ่วงแทนที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าทรัพสมบัติก้าวของเงินทองที่มีนี้จะเป็นตัวถ่วงเพราะจะดึงให้ใจต้องมาวิตกกังวลกับการดูแลรักษาพอไม่มีแล้วก็หมดปัญหาไปนี่คือทานเต็มร้อยก็คือสละให้หมดไปเลยแล้วเราจะได้รักษาศีลได้เต็มร้อย รักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยบเจ็ดข้อได้อย่างเต็มร้อยรักษาได้ง่ายเพราะเราไม่มีภาระไม่มีไม่มีเรื่องที่จะต้องไปเสียเวลากับกับการใช้เงินใช้ทองกับการหาเงินหาทองแล้วเราก็จะได้มีเวลามาเจริญภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เต็มร้อยคือได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ นักบวชนี้จะไม่ทำอะไรนอกจากการภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงแม้ว่าจะทำภารกิจอย่างอื่นก็ทำควบคู่ไปกับการภาวนาเช่นการมีสติตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นต้นของการภาวนาแล้วนักบวชนี้จะเน้นการเจริญสติในเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะทำอะไรนี้ต้องมีสติตลอดเวลาสติก็มาได้ไหลายรูปแบบ เป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องก็ใช้ได้ถือว่าเป็นการมีสติทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยลุกขึ้นไปทําอะไรก็พุทโธจะกินจะทําอะไรก็พุทโธไปพอเสร็จภารกิจต่างๆก็เข้าทางจงกรมก็พุทโธพุทโธไปพอเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งก็พุทโธพุทโธไปจะพักพุทโธก็ตอนที่ นอนหลับพักผ่อนหรือว่าจิตสงบแล้วจิตไม่คิดปรุงแต่งแล้วพุทโธก็ไม่จําเป็นพุทโธไม่มีไว้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งเท่านั้นพอไม่มีความคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใจก็ให้รู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องพุทธก็ได้แต่พุทธเก็ต่อเมื่อเริ่มคิดปรุงแตง่งเริ่มฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็พุทธใหม่เพื่อหยุดมันนี่คือขั้นของสติเพื่อให้ได้สมาธิคือความสงบพอได้ความสงบแล้วออกจากความสงบก็มาทางวิปัสสนาต่อพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลาย เตือนใจไว้ล่วงหน้าก่อนพอเวลาเกิดความอยากจะได้หยุดความอยากได้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันเวลาที่มันจะทำไม่ได้และเวลาทำไม่ได้มันก็จะทุกข์พอรู้อย่างนี้มันก็จะหยุดความอยากได้ แล้วพอหยุดความอยากได้ต่อไปก็จะไม่มีความทุกขหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอยากได้อะไรเพราะใจมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วก็คือความสงบที่เป็นความสุขที่สูงสุดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอทำทานรักษาศีล ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นเป็นหัวใจของการปฏิบัติเป็นบุญหลักส่วนบุญเสริมบุญรองนี่ก็ทำไปตามโอกาสเช่นเวลาเราทำบุญเรากวดน้ำอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราก็ทำไปเวลามีเพื่อนบ้างชวนไปทำบุญเราก็ร่วมอนุโมทานาบุญไปกับเขา ไปไม่ได้ก็ฝากเงินไปก็ได้หรือไม่มีไม่มีเงินก็เพียงแต่แสดงความชื่นชมยินดีก็ยังดี ย, งดยังดีกว่าไปคัดค้านไปขัดขวางเขาบางครั้งคนใกล้เคียงเราชอบชอบทำบุญแต่เราไม่ชอบทําบุญพอเขาทําบุญทีไรเราก็หงุดหงิดใจทุกทีเสียดายเงินทุกทีอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญ ท, ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เป็นเงินของเรา แต่ถ้าเขาทำบุญแล้วเขามีความสุขเราก็อนุโมทนาบุญไปกับเขาเราก็จะได้รับความสุขด้วยเดี๋เวลาที่เราเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรานพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปมีข้าวแบ่งกันกินไปมีเสื้อผ้าแบ่งกันใส่ไปเช่นปีใหม่นี้เราก็อาจจะเอาข้าวเอาของไปแจกให้คนยากคนจน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็ทำไปตามโอกาสตามเหตุตามตามเหตุการณ์เวลามีผลมีน้ำท่วมมีไฟไหมมีวัดมีภัยอุบัติภัยต่างๆที่ต้องมีการร่วมร่วมแรงกันช่วยเหลือกันเราก็ทำไปแล้วถ้าเรามีทำระดับไหนเราก็สามารถที่แบ่งให้กับผู้ที่เขาไม่มีก็ได้ เวลาใครเขามีความทุกข์ใจเขามาปรึกษากับเราเราก็จะได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติมาใช้ได้ผลแล้วสอนเข้าไปว่าทำอย่างนี้สิทำบุญสิรักษาศีลสิทำแล้วจิตใจจะดีขึ้นสบายขึ้นจะโปรงจะวางได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นส่วน บุลที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องนี้มันก็เป็นผลที่ได้รับจากการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองเวลาเราฟังธรรมแล้วเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นบุญเห็นว่าอะไรเป็นบาปเห็นว่าอะไรควรจะทำเห็นว่าอะไรไม่ควรจะทำถ้าไม่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาป ก, กัน เราก็จะสับสนกันว่าอะไรเป็นบุญหรืออะไรเป็นบาปนี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะทำให้จิตใจของเรานี้เต็ดบวกก็มีบุญมากกว่าบาปแล้วทุกภพทุกชาติที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ทำอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะเข้าถึงพันิพานได้ทุกภพทุกชาติของเรานี้จะเป็นแต่สุขคติทั้งนั้น จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีความมีความพร้อมที่จะทำบุญต่อมีความพร้อมที่จะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่อเสมอแล้วเวลาตายไปถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะได้ขั้นต่างๆขั้นเทพบ้างขั้นพรหมบ้างขั้นโสดาบันบ้างขั้นสกิสกิดาคามีบ้างขั้นอนาคามีบ้างจนในที่สุดพอถึงขั้นอรหันต์แล้วก็เป็นอันว่าเป็นการ ยุติการสร้างบุญเพราะว่าเราได้บุญเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วเป็นบุญที่ไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดแล้วเป็นบุญถาวรนี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่เรามากันในวันนี้เรามาเติมบุญเหล่านี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผลักดันให้เรามานี้ เป็นแบบไหนท่านั้นเองเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีวันขึ้นปีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าเป็นวันที่เรามีเวลาว่างทุกครั้งที่เรามีเวลาว่างเราจะมาแต้มบุญเสมอถ้าเรามาเพราะว่าเป็นวันสําคัญก็ควรที่จะเปลี่ยนมันเสียเพราะว่ามันน้อยมากปีหนึ่งมีไม่ถึงสิบครั้งวันสําคัญต่างๆควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นวันที่เรา มีเวลาว่างและอยากจะมาเติมบุญเพราะเราเห็นคุณค่าของบุญเห็นความสำคัญของบุญว่าจะนำพาชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญอย่างแท้จริงและถาวรต่อไปจึงขอฝากให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้รับ ได้พบกับสิ่งที่ดีที่เจริญอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกุระณติสาครัง เอวเมวะอิโตชินางเปตานงอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารัสยัทามณิโชติรัสยัทาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพรโควินสตุ มาเตผวะตะวันตรายุสุขีทีคายุโกภะอาภีวาทนสีลิสะนิจังอุทธาปจายโนจตารธุธรรมาวทธานติอายุวโนสุขังพาลางในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดอยากจะถามธรรมะข้อใดก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามถ้าถามหลังไม่นะผู้อื่นจะไม่ได้ยินจะไม่ได้เกิดประโยชน์ธรรมะคนจะแบ่งปันกันเพราะถ้าปัญหาของพวกเราก็ปัญหาเหมือนกันเวลาถามปัญหาแล้วคนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยได้ยินคาตอบเขาก็จะได้เอาไปใช้ แก้ปัญหาของเขาได้ต่อไปด้วยน้ำมัสการพระอาจารย์ค่ะคำถามได้จากอินเทอร์เน็ตจากคุณบักี้สมา์อยากขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าวิชาสามคืออะไรครับนั่งสมาธิถึงระดับไหนถึงเรียกได้ว่าสำเร็จวิชาสามแล้วครับอันนี้ต้องไปถามกู o g l ลดูดีวกว่า น, นะเพราะามีรายละเอียดใส่เข้าไปถามคำว่าวิชาสามมันก็จะโผล่ขึ้นมา เพราะว่าถ้าตอบไปแล้วเดี๋ยวกลัวจะตอบไม่ตรงเพราะจําไม่ได้เพราะการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นจะ ต, ต้องรู้วิชาสามหลาคนจะรู้ไต่สิกขาหรือมรรคที่เป็นสามก็คือทานศีลภาวนาอันนี้ต้องรู้ว่านี่คือทางที่จะไปสู่พระนิพพานทําทานรักษาศีลภาวนาส่วนวิชาสามนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อยู่ใน ส่วนของภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาซึ่งถ้าศึกษาไปปฏิบัติไปก็จะถึงจะเข้าใจเองคำถามต่อมาค่ะจากคุณกนกพรภัยสาลอัศวะเจนีอยากถามว่าข้อแรกพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสตัณหาแล้วหลังจากที่ตรัสรูค้คือไม่สร้างตัณหาใหม่คือไม่อยากอีกแล้ว แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะปัญหาที่เคยมีในอดีตสมัยที่ยังทรงสั่งสมบารมีอยู่ใช่ไหมคะเหมือนที่หลวงตาเทศหลวงตาเทศสอนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะแก่สัตว์ทั้งหลายตามความอยากมีอยากเป็นพวาตปัญหาของพระองค์อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจผิด เพราจัยของพระพุทธเจ้านี่ปราศจากตัณหาความอยากแล้วความอยากมีอยากไม่เป็นด้ย อ, อยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าแล้วที่ทรงสอนนี่พระสอนด้วยความเมตตาสงสารคือทรงเห็นว่าพวกเรานี่ยังเป็นเหมือนกับผู้ที่ยังติดคุกติดตารางอยู่และพระองค์ทรงเห็นทางออกจากคุกแตกตารางนี้ก็อยากจะให้พวกเรา ได้ออกจากคุกจากตารางก็เลยมาสอนบอกวิธีที่จะทำให้พวกเรานี้ได้ดูดออกจากคุกตารางคุกตารางของพวกเราก็คือวัตตะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้นั่นเองคือการมตตัณหาภาวะตัณห า, หาและวิภวะตัณหาความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ที่พวกเรายังมีกันอยู่ภายในหัวใจที่ทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดแก่เดียบตายกันอยู่เรื่อยๆแต่พระองค์นี้ได้ส่งค้นพบทางที่จะทําให้ความอยากทั้งสามนี้สิ้นสุดไปหมดไปจากใจหลังจากที่ทําได้แล้วก็ส่งเอาวิธีการที่จะทํานี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแต่ตอนที่ ทรงตัดสั่รู้ใหม่ๆเพราะองค์ก็ทรงมีความท้อพระทัยเพราะว่าทรงเห็นว่าการที่จะสอนให้พวกเรานี้ละความอยากต่างๆนี้เป็นของที่ยากมากไม่รู้ว่าจะมีใครอยากจะปฏิบัติตามกันหรือไม่เพราะทุกคนถูกความหลงหลอกให้คิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับตน แต่ความจริงแล้วร้องห่มร้องไห้กันกระโดดตึกตายกันก็เพราะการกระทำตามความอยากต่างๆเหล่านี้เองแต่พอถึงเวลานั้นก็ไม่สามารถย้อนกลับไปดูเหตุที่ทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นในในขณะที่ต้องร้องห่มร้องไห้ต้องกระโดดตึกตายถ้ามีสติสตังมานั่งพิจารณาก็จะรู้ว่าก็เกิดจากความอยากนั่นเอง อยากได้ความสุขมากๆเช่นได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญได้จะความสุขจากคนนั้นคนนี้แต่เวลาสูญเสียราบยศสรรเสริญสูญเสียความเสียนเสียคนนั้นคนนี้ไปก็ไม่ก็เกิดความทุกข์ใจจนกระทั่งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่มีความอยากจะได้ความสุขทางนี้แล้วก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ถ้าเราไม่ได้มีความอยากที่จะร่ำจากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเวลาเราไม่ได้เราก็ไม่ทุกเวลาเราได้เราเสียไปเราก็จะไม่ทุกเราก็จะรู้สึกเฉยๆนี่คือเรื่องที่ทําให้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้นไม่อยากที่จะสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้มีเวลาส่งพิจารณาแล้วก็มีเท้ามหาพรหมได้มาอาราธนา ขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสามโลกที่ไม่มีวันที่จะสามารถดิ้นลดลิ้นนนออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถนำพาสามโลกให้หลุดพ้นได้หลังจากได้ทรงพิจารณาก็เลยเกิดความเมตตาสงสารก็เลยยอมอุทิศเวลาที่เหลืออยู่อีกสี่สิบห้าปี ให้แก่การสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักการปฏิบัติเพื่อทำให้ได้ดุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสาเหตุไม่ใช่ตัณหาความอยากในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาความอยากขั้งสามไม่มีการมาตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหามีแต่พระมหากรุณาธิคุณ ความการุณาก็คือความสงสารอยากให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ถ้าจะเรียกกาเป็นความอยากก็อยากให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นความอยากเดียสอนแล้วจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ท่านก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่พ้นก็ไม่เดือดร้อนพ้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากสอนด้วยความสงสารคาถามต่อมาจากท่านเดิมคะ่ะ ดิฉันอ่านหนังสือธรรมะพระสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความว่างเปล่าดิฉันจึงสงสัยว่าความว่างของขันห้ากับความว่างของนิพพานต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรด<น>ิฉันขอโทษคับดิฉันเข้าใจว่าขันห้าว่างเปล่าแต่จริงๆยังมีธรรมธาตุอยู่ใช่ไหมคะ คือคนมาพูดก็พูดแบบคนตาบอดพูดไม่รู้ว่าคำว่าว่างเปล่ามาจากไหนในพระไตรปิฎกไม่มีแสดงว่าขันห้าว่างเปล่าเลยท่านอาจจะมาแปลจากคำว่าอนัตตาคำว่าอนัตตานี้แปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ว่างเปล่าขันห้ามีอยู่เนี่ยลูกเรามีอยู่หรือเปล่าเนี่ยร่างกายเรามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วจะว่างตรงไหนมันไม่ว่างแมพแย่แสดงว่ามันไม่มีตัวตน มันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งพูดง่ายๆมันไม่มีคนอยู่ในร่างกายนี้เราไปสมมติว่าเราเป็นคนขึ้นมาจากใจของเราเองเราไปสมมติว่าเราอยู่ในร่างกายนี้เราไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้เราแล้วเราก็หลงไปคิดว่าคนรับใช้นี้เป็นเราไปเข้าใจไะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันมีตัวตนมันมีเจ้าของมันไม่มีหรอก เพียงแต่คนที่ซื้อรถมาก็ไปยึดไปจองว่านี่เป็นของฉันแล้วก็ขับรถคันนี้ไปใช้ธุระ ป, ะปังอะไรต่างๆแล้วก็ไปหลงคิดว่ารถยนต์เป็นตัวคนขับไปคนขับเป็นตัวรถยนต์ไปพอรถยนต์เป็นอะไรไปคนขับก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าคนขับรู้ว่ารถยนต์กับคนขับเป็นคนละคนกันคนขับก็ไม่เดือดร้อนเวลารถเสียก็เข้าอู่ซ่อมไปซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไป ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ไ ม, นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นของของใครเป็นเพียงแต่ว่าเราใจนี้มาอาศัยมาครอบครองร่างกายอยู่มาขับร่างกายนี้ให้ร่างกายนี้รับใช้เราแต่เราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราขึ้นมาความหลงท่านทง่เรามาสอนว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอนัตตาอนัตตามาจากคำว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตัวเราของเรา อนัตตาก็แปลว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งส่วนเรานี่เป็นเหมือนคนขับใจนี่เป็นเหมือนคนขับคนขับกับรถยนต์มันเป็นคนคนเดียวกันได้อย่างไรฉันใดร่างกายกับใจจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเป็นไม่ได้มันเป็นคนละอันกันท่านถึงมาสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายนี้ว่างเปล่า คนอ่านหนังสือไปแล้วก็แปลไปตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สร้างความสับสนขึ้นไปแล้วก็ไปแปลกับนิพพานที่คําว่าที่เรียกว่ า, วางไมันคเราเรื่องกันละนิพพานท่านว่าเป็นศูนย์อย่างเอทึ่เมื่อกี้ก็ได้แสดงว่าแ้วมันว่างจากความทุกข์ว่างจากความวุ่นวายใจที่เรียกว่ า, วางศูนย์อย่างส่วนอนัตตา น, นี้แปลว่าไม่มีตัวตนคนละเรื่องกัน เข้าใจไหมรถยนต์นี้มีตัวตนหรือเปล่าฉันใดรถยนต์ไม่มีตัวตนฉันใดร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนฉันนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างร่างกายกับรถยนตน์เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากวัตถุรถยนต์ก็มีประกอบขึ้นด้วยอะไรเหล็กโลหะต่างๆพลาสติกกระจกยางทําให้เป็นรถยนต์ขึ้นมาร่างกายเราก็ประกอบมาจากดินนา้าำลมไฟ ประกอบมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าไปพอเข้าไปแล้วมันก็ผสมกันแล้วก็แปลงกลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาถ้าเราไม่กินอาหารไม่หายใจไม่ดื่มน้ำร่างกายนี้มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือเปล่าเวลาออกจากท้องแม่มาแล้วก็ไม่หายใจไม่ไม่ดื่มน้าไม่กินข้าวมันจะโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่า มันเป็นได้เพราะอะไรก็เป็นได้เพราะมีการหายใจมีการดื่มน้ํามีการรับประทานอาหารของพวกนี้เราเรียกว่าธาตุเนี่ยลมหายใจก็เรียกว่าธาตุลมน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เรียกว่าธาตุน้ําอาหารที่เรากินเข้าไปก็เรียกว่าธาตุดินเพราะอาหารมันมาจากอะไรข้าวมันมาจากอะไรถ้ามันไม่มาจากดิน่ปลูกข้าวบนดินหรือปลูกข้าวบนบนฟ้าบนทองฟ้ามันปลูกบนดินมันมาจากดิน นั้นร่างกายนี้ความจริงแล้วมันก็คือดินน้ํำลมไฟดีๆนี่เองซึ่งมารวมผสมกันกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเป็นผมขนเลนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาแล้วเวลาตายไปมันไปไหนมันก็แยกกันไปน้ํามันก็แยกออกมาจากร่างกายั้นไฟมันก็หายไปลมก็ระเหยออกมาทิ้งไว้นานๆแค่ร่างกายก็แห้งกรอบะ ปอยทิ้งเปงน็นานๆเขาก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปมันก็มีแค่เนี้ยคําว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่ามีร่างกายมันไม่ว่างเปล่ามันมีมันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเรารูบความจริงอย่างนี้เราเราจะได้ไม่ไปตกใจกลัวเวลาร่างจะร่างกายเป็นอะไรตอนนี้เราตกใจกลัวกันเวลาร่างกายแก่ก็กลัวกันละ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวกันเวลาจะตายก็ยิ่งกลัวใหญ่ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายพระพุทธเจ้าถึงต้องมาสอนให้พวกเราแก้ความหลงนี้ด้วยการเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราอนัสตาคำถามที่สามจากท่านเดิมคะ่ะพระอาจารย์กล่าวว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงหอบพระโลหิตพระองค์ทรงมีทุกกายแต่ไม่ทุกใจดิฉันเรียนพระอภิธรรมมากล่าวว่ามีรูปย่อมมีนามมีนามย่อมมีรูปทุกขเวทนาเกิดในจิตที่เป็นโทสะหรือฝ่ายอากุศลจิตแต่พระพุทธเจ้าสิ้นโทสะแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงยังทรงทุกข์ได้ จะมีหรือเปล่าคะที่จิตหรือนามเป็นฝ่ายกุศลแต่รูปกลับแสดงอาการกโกรธโมโหเจ็บปาดแผลเหมือนกับที่พระสารีบุตรกระโดดข้ามคูน้ำหรือหลวงปู่ตื้อด่าสตรีผู้หนึ่งด้วยคำพูดหยาบคายคือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าไม่มีความโกรธ ไม่มีความทุกข์ที่ทุกข์ก็คือร่างกายร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของเราก็เหมือนกันเวลาร่างกายเราเจ็บพระพุทธเจ้าร่างกายของพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันแต่ใจเราทุกข์กับความเจ็บแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับความเจ็บใจไม่ต่างกันตรงนี้ทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากจะให้หาเจ็บหรือโกรธเวลาใครมาทําให้ร่างกายเราเจ็บเราก็โกรธเขา แต่พระพุทธเจ้าไม่มีส่วนนี้ไม่มีความโกรธใครมาทําให้พระพุทธเจ้าเจ็บร่างกายของพุทธเจ้าเจ็บแต่ใจของพุทธเจ้าไม่เจ็บไม่โกรธท่านแยกออกจากกันได้เปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์ถ้าเป็นรถของเราใครเอาค้อนมาทุบกระจกนี่เราจะโกรธไหมโกรธใช่เพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราแต่ถ้ามันไม่เป็นของเราใครเอาค้อนไปทุบเราจะโกรธไหมไม่โกรธ พวกเราต่างกับพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรงที่ว่าเรายังไปคิดว่ารถเป็นของเราอยู่พอใครเอาก้อนไปทุบเราก็โกรธแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นของท่านใครจะไปทุบท่านก็ไม่โกรธต่างกันตรงนี้คำถามต่อต่อมานะคะจากคุณนรวิทย์ค่ะตอนทําสมาธิรู้สึกว่าเบาเบาใจไม่เคร่งหรือตึงมาก อยู่กับความรู้น้อยๆเห็นความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่ได้มารบกวนใจให้รําคาญอุปมาเหมือนเรานั่งอยู่นี่มีคนเดินผ่านไปมาเราอยู่กับความรู้อันนี้ส่วนการพิจารณาให้ราบไปเลยปัญญาอย่างเราสามารถที่จะพอทำได้ไหมครับกราบขอพรจากพระอาจารย์ด้วยครับ ก็พยายามทำไปมันก็จะปล่อยวางได้ตอนต้องก็ปล่อยวางด้วยสมาธิก่อนทาใจให้ว่างให้วางชั่วเทาาไปก่อนแต่เวลาออกจากสมาธิมามันก็จะยึดติดเหมือนเดิมตอนนั้นก็ต้องสอนใจให้ปล่อยให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพออะไรไม่เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะเฉยได้ แต่ถ้าเรายังเป็นเราของเราอยู่นี่เฉยไม่ได้ใช่ไหมอย่างแฟนนี่ถ้ายังเป็นของเราอยู่นี่ใครมาแตะไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเลิกกันแล้วใครจะไปแตะไปนอนด้วยเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วใช่ไออนั่นแหละเพราะว่าเราปล่อยความว่าเป็นของเราได้หรือไม่ได้ถ้าเราปล่อยได้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วใครจะมาแตะมาต้องมาทําอะไรเราก็เฉยได้ไอันนี้เรียกว่าวิปัสสนา ให้เห็นความจริงว่าแฟนเรานี่ไม่ใช่แฟนเราอย่างแท้จริงเป็นเหมือนคนที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วใครจะมาแตะมาต้องเขาจะไปนอนกับใครไปเที่ยวกับใครมันก็เรื่องของเขาแล้วเราทาใจได้ระบาดขณะที่เขายังเป็นแฟนเราอยู่ที่เรา ท, ที่เราว่าเป็นแฟนเราอยู่นี่มันเป็นความความจริงขั้นขั้นที่สองแต่ความจริงขั้นที่หนึ่งมันสําคัญกว่าความจริงขั้นที่หนึ่งก็คือเขาไม่ใช่แฟนเรา แต่เราไปหลงติดอยู่ความจริงขั้นที่สองว่าเป็นแฟนเราเข้าใจไหมเนี่ยมีมีความจริงสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีไม่มีใครเป็นแฟนของเราเป็นสามีของเราเป็นลูกของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราอันนี้เป็นความจริงที่แท้จริงส่วนความจริงที่เรียกว่าสมมุติเนี่ยขั้นที่สองเนี่ยเป็นสมมุติเรามาตีต่างกันมาว่ากันเออนี่เป็นของฉันนะนี่เป็นของเธอนะ แเราก็ไปหลงติดกับความจริงอันนี้กันพอใครมาแตะของที่เขาสมมติว่าเป็นของเราขึ้นมาก็โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาเนเพราะเราไปหลงกับสมมติเราไม่เห็นความจริงที่แท้จริงความจริงที่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปใช่ไหถ้าเป็นของเราเขาก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ยังไม่เป็นของเราเลย ถึงเวลามันจะไปเราไปห้ามมันได้ป่อแต่เวลามันจะกลับบ้านเก่าเนี้ยเราลืมความจริงที่แท้จริงเราไปหลงติดอยู่กับความจริงที่สมมุติพเพราะฉะนั้นท่านต้องมาสอนให้พวกเราแก้ให้เราไปมองไม่มองความจริงที่แท้จริงถ้าเราเห็นความจริงที่แท้จริงตลอดเวลาเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราสัพเพธรรมะอนัตตา อีกคาถามจากท่านเดิมค่ะเวลาทําสมาธิจําเป็นต้องจิตรวมทุกครั้งไหมครับรวมได้ก็ดีเหมือนกินข้าวจําเป็นจะต้องกินให้อิ่มหรือเปล่าะช่ไหมถ้าไม่อิ่มไปทางานมันจะสู้กับกินคนที่กินข้าวแล้วอิ่มได้นะใครจะทํางานได้ดีกว่ากันการนั่งสมาธิให้จิตรวมเพื่อจะได้มีกําลังไปเจริญปัญญาต่อไปเจริญวิปัสสนาต่อไปทํางาน ไปต่อสู้กับกิเลสไปฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นคนที่กินข้าวอิ่มเนี่มันจะต้องมีกําลังมากกว่าคนที่กินไม่อิ่มเพราะนั้นจะถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นก็ลองถามตัวเราเองดูก็แล้วกันเวลาคุณกินข้าวคุณจะกินให้อิ่มแล้วไม่อิ่มดีทําไมาเวลามานั่งสมาธิทำไมาต้องมาถามว่าจําเป็นจะต้องรวมหรือไม่รวมอะต่อมาค่ะคําถามจากคุณสุนิดาค่ะเป็นคนคิดมากค่ะคิดมากทุกเรื่อง คิดแล้วก็ทุกข์แม้กระทั่งไปวัดเราไปเพื่อที่จะไปเอาความเย็นแต่กลับได้ความร้อนกลับมาเพราะไปคลุกคลีไปคุยแล้วก็เอามาคิดมากเองเราก็เครียดพยายามพุดโธตามที่พระอาจารย์บอกพออารมณ์ดีก็พุดโทแต่พอเจอข้อสอบเจอความทุกข์ก็เลิกพุดโธไม่ยอมภาวนากิเลสมัน ก็จะหลอกว่าทำไปทำไมภาวนาไปทำไมชีวิตก็ได้แค่นี้แหละดีกว่านี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็โดนกิเลสลากเอาไปกินทุกครั้งไปกว่าจะกลับมาลุกขึ้นยืนได้ก็ใช้เวลาหลายวันขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะเราก็ต้องนึกถึงว่าพุทธเจ้านึกถึงกรูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านไม่ได้คิดเหมือนเราคิดเยท่านคิดตรงกันข้ามกับเรา ท่านคิดว่าต้องพุโทโธไปต้องใช้ธรรมะต่อสู้กับอาธรรมแล้วเราก็จะชนะเราก็จะเป็นผู้ชนะได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าคิดเราอย่างถ้าคิดอย่างที่เราคิดเราก็จะต้องเป็นผู้แพ้ไปตลอดเวลาฉั้นเราต้องหัดเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้คิดตามที่พระเจ้าทรงคิดให้คิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านคิดก็คือท่านจะสร้างธรรมะขึ้นมาท่านจะพุโทโธตลอดเวลาท่านจะไม่ขี้เกียจท่านจะไม่มีการมา ต่อรองหรือมามีข้อแม้ว่าทำไปทำไมเพราะว่าเวลาคนเราไม่สบายถ้าไม่กินยามันจะหายหรือไม่หายแนไในเวลาเกิดความทุกข์ก็ต้องรีบเร่งพุทโธเข้าไปอัดมันเข้าไปให้เต็มที่อย่าปล่อยให้มันมีช่องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยพอมันไม่ได้คิดสักพักเดี๋ยวมันก็หายหรือ ม, มันก็ลืมเรื่องราวต่างๆไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดมันก็จะหายไปเองเห็นเวลา เกิความทุกข์ขึ้นมาต้องบอกว่าต้องพุทโธให้มากพุทโธเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ธรรมโอสถคือพุทโธถ้าอยากจะรักษาความทุกข์ใจที่เป็นโรคของใจก็ต้องกินยาธรรมโอสถก็คือต้องพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปให้อะไรมาต่อรองมาอ้างข้อแม้ต่างๆว่าทําไปทําไมทำแล้วไม่ได้อะไรอันนี้เป็นความคิดของอัธรรมของคู่ต่อสู้ที่เขาไม่ต้องการไม่ให้เรา เอาเอาวุธมาฆ่าเขาคําถามต่อไปค่ะจากคุณชยาทิศพัฒนาวิกิตในการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตถ้ารุนแรงก็จะใช้อุบายที่สอดคล้องกันมาบรรเทาเช่นอสุภะแล้วอารมณ์ก็เบาบางลงและหายไปในที่สุดแต่ต่ อ, ตอมาเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นอีกบางครั้งจิตมันจะตัดไปเลยเป็นอัตโนมัติ ไม่ได้ไปที่ต้นเหตุอีกมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อมีการรับรู้ว่ามีอารมณ์เกิดจิตมันไม่ได้แยกแยะเป็นชนิดของอารมณ์แต่พิจารณาว่าอารมณ์ทุกชนิดเหมือนกันหมดแล้วเฝ้าดูสภาวะธรรมชาติของมันเลยคือเป็นอนิจจังทั้งนั้นมันเพิ่งเริ่มเป็นอย่างนี้บ้างในบางครั้งขอเรียนถามพระอาจารย์ว่า มันจะกลายเป็นการขี้เกียจพิจารณาหรือเปล่าแต่มันก็เคยพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําอีกมาแล้วจิตมันก็เลยรู้ทะลุไปเพราะชินหรือเปล่าครับอันนี้ถูกหรือผิดครับผิดแล้วเธอก็ดูว่ามันดับความทุกข์ได้หรือเปล่ามันตัดกิเลสได้เปล่าฆ่ากิเลสตัณหาได้หรือเปล่าถ้าฆ่าได้ก็ก็ถูกถ้าฆ่าไม่ได้ก็ผิดนค่ะอ่าคําถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะสาคุณ รักมากวุ่นมากไม่รักไม่วุ่นเวลาเราบริกรรมภาวนาพุทธโธให้สูดลมหายใจเข้าพุทออกโรเราควรใส่ใจที่คำบริกรรมหรือลมหายใจคะเพราะเวลาบริกรรมไปเรื่อยๆมันจะวิ่งไปดูทางลมหายใจเข้าออกแทนคำบริกรรมคะ่ะตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้อากาศบ่อย เวลาร่างกายป่วยจะหายใจติดขัดทําให้ไปดูลมหายใจไม่ได้ควรทําอย่างไรดีคะหรือเราควรสนใจคําบริกรรมเพียงอย่างเดียวคะคือการกระทําลมกับพุทธโธนี่ทําได้สามรูปแบบด้วยกันพุทเข้าโทออกคือเอาเอาพุทธโธกับลมหายใจควบคู่กันไป ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปในวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เอาลมอย่างเดียวดูแต่ลมไม่ต้องพุทโธให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้าลมออกเข้าดูอยู่ที่ลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามก็เอาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจลมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว มันไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องลมกับพุทธโธควบคู่กันไปเสมอซึ่งความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทนมกับพุทธโธคู่กันพระพุทธเจ้าทรงสอนแยกกันถ้าดูลมก็เรียกว่าอานาปนาสติถ้าพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติแต่ไม่มีพุทธเข้าโธออกอันนี้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เลือกคู่ปฏิบัติบางท่านที่ดูลมเฉยเฉยไม่ได้ต้องมีพุทธโธมา เหมือนสมัยนี้เวลาเราไปกินพิซซ่านี่บางทีกินอย่างเดียวก็ไม่อร่อยต้องให้ก็มีสองอย่างปนเข้ามาในถาดเดียวถ้ากินอย่างเดียวแล้วมันไม่อร่อยมันไม่อิ่มมันไม่ถึงรสถึงชาติแต่ถ้าเอาแบบเออแบบนี้ครึ่งหนึ่งแบบนั่นครึ่งหนึ่งมารวมกันในถาดเดียวมันรู้สึกว่าแม่มันกินแล้วน่ากินขึ้นกว่าอันนี้ก็แล้วแต่จลิตนสิสัยนะ บางคนก็เอาล้วนๆถาดเดียวบางคนก็เอาผสมอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิบางคนก็เอาลมล้วนๆอย่างเดียวบางคนก็เอาพุทโธล้วนๆอย่างเดียวบางคนก็เอาลูกครึ่งเอาลมด้วยเอาพุทโธด้วยอย่างไหนก็ได้ขอให้ทาแล้วใจเราสงบก็ใช้ได้ต่อจากท่านเดิมค่ะถามต่ออีกนิดว่าเคยดินว่า คำบริกรรมพุโทโธเคยริ้นว่าเราสามารถทำได้ทุกอริยาบทแต่สงสัยว่าเวลาเราสวดมนต์หรืออ่านหนังสือใจเราจะวิ่งไปดูที่ตัวหนังสือทำให้บริกรรมพุโทโธในใจไม่ได้เราควรให้ใจเราสนใจที่ตัวหนังสือถูกหรือเปล่าคะอันนี้เรียกว่าเถ็นตรงไม่มีปัญญาพอก็้าไหวพุโทโธกบพุโทโธอย่างเดียว พอทาอย่างอื่นก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเอา้าเวลาทําอย่างอื่นก็หยุดพุทธโธไปสิเวลาอ่านหนังสือก็อ่านไปสิเวลาบวกลบคูณหารทําบัญชีจะไปพุทธโธได้ยังไงถึงเวลาจะทําอะไรก็ทําไปที่ถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทธโธไว้ก่อนที่ให้ใช้พุทธโธไว้สําหรับเบรคความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเองแต่ความคิดที่จําเป็นจะต้องคิดต้องใช้ก็ใช้ไปพอเวลาขับรถก็อย่าไป พุทโธแล้วไม่ด <smile> <sm ell> ูรถไม่ดูถนนเฮอมันต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังอันไหนสำคัญกว่าเนี่อย่าเป็นเทนตรงเถามแบบเทนตรงเลยตอบจบ้เหรอถามมาก็จะ เรื่องคือก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยก็มาอยู่วัดนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าจากเดิมเนี้ยไม่เคยนอนคนเดียวได้ไม่เคยไปค้างอ้างแรมที่ไหนมืดมื ด, มดคนเดียวได้ก็ก็ทําได้ก็แต่พอมีวันทนี่ท่านถามว่าหายกลัวผีหรือยังคือหนูก็เลยหนูก็เลยต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าหนูหายกลัวหรือยังหนูก็เลยไม่ต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูหายกลัวยัง ต้องขนาดไหนอย่างตอนนี้เนี่ยเม่คือสิ่งที่หนูมองไม่เห็นนะแต่ถ้าคืออย่างผีเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเขามาไม่ไม่ว่าจะผีหรืออะไรก็ตามถ้าเขามาดีอย่างเช่นถ้าหนูนอนขี้เกียจแล้วเขามาเรียกปลุกหนูเลยหรือคือเขามาอย่างเมตตาเนี่ยหนูก็จะไม่กลัวแต่ถ้าเขามาหลอกหนูก็ยังกลัวอยู่ดีถ้าคําว่าไม่กลัวผีแล้วเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเขาจะมาดีมาร้าย หนูก็ต้องไม่กลัวหมดเลยอย่างนั้นถูกไหมคะคาว่าไม่กลัวแปลว่าอะไรเนละยเอ้าใจคะ่ะแมไม่กลัวก็ไม่กลัวเลยมีไม่กลัวแบบมีข้อแม้ด้วยเนะถ้าเข้ามาไม่หลอกก็ไม่กลัวแถ้าเขาหลอกก็กลัวเมื่อก่อนมันจะปรุงไปเลยว่าเขาต้องหลอกเราแน่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังคือกลัวน้อยลงแต่ยังกลัวอยู่คะ่ะก็ลองไปเยี่ยมป่าช้าดูเลย<า><อ><ะ> ไปกลางวันก่อนก็ได้ไปเยี่ยมปา่าช้ากลางวันก่อนไปคนเดียวเนี่ยสุสานที่เขาฝังศพเนี่ยปา่าช้าสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาไม่ฝังอ่ะเขาทิ้งศพไว้เกือนกาดให้ดูแต่สมัยนี้เ็าฝังไว้ไม่เห็นศพแต่เห็นป้ายชื่อเ็าั่นเองลองไปเยี่ยมปา่าช้าแบบนี้ดูก่อนก็ได้ สุสานที่เขาสังศงเนี่ยฟังไปกังวันก่อนจะไปตรวจดูสถานที่ให้เรียบร้อยก ว, ว่ามีอะไรไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็ไปตอนกลางคืนดูออยังหนูไปได้แล้วหรออ้าวก็อยากจะรู้ว่ากลัวไม่กลัวหายกลัวไม่หายกลัวมาถามเราทําไมของนี่มันต้องสันติโกผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่รู้ด้วยตนเองอย่างนั้นอีกคํําคาถามหลังหนูก็เหมือนจะได้คำตอบแล้วเราจะถามว่า เรื่องสรนเสริญดินทาค่ะคือตอนก็ก็ต้องเจอกับสรนเสริญดินทาแล้วเมื่อก่อนก็จะไม่ชอบไม่ชอบจะเอาแต่สันเสริญอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเราบังคับความคิดความเห็นของคนอื่นไม่ได้หรือหรือคนอื่นเราจะทาให้เราจะทำยังไงก็ตามถ้าเขาจะไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีถ้าถึงเขาถึงเราเดีเหเขายังไงถ้าเขาจะไม่หวังดีกับเรา เขาก็ de, rage, ไม่หวังดีกับเราอยู่ดีหนูก็ไม่ได้มีความอยากที่จะมาให้เขาพูดดีกับหนูหรือหยุดนินทาหนูแ ต, แต่หนูก็ยังไม่ชอบเขานินทาอยู่ดีหนูได้คําตอบแล้วว่าหนูก็ยังยึดติดอยู่ดีนั่นเองค่ะถูกไหมคะก็ลองหัดด่าตัวเองเรื่อยๆก่อนเลซ้อมไม่ด่าดูหน้ากระจกแล้วก็ด่าแยกเคี้ยวใส่เรามึงนี่ไม่ดีเลยอีหายหอบ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 ถามนะอย่ามาเล่าให้ฟ <about rules> ังนะถามปัญหานะอย่าห้ามมาเล่ามาเทศให้เราฟังนะเปิดพูดใกล้ๆหน่อยฮโหลครับอ่าก็คือผมปฏิบัติไปครับทีนี้ในส่วนของเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยก็พอเห็นระดับหนึ่งแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าทำไงถึงจะขั้น ต้องปฏิบัติแบบไหนถึงได้จะเห็นว่าใจไม่ใช่เราอ๋อยไปปล่อยกายให้ได้ก่อนอะไปไปเข้าห้องสอบก่อนตอนที่เราคิดนี่มันยังเป็นการทำการบ้านอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าปล่อยกายได้หรือเปล่าก็ไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ใกล้ไปอยู่ในป่าคนเดียวเดือไปที่ตรงไหนที่คิดว่าความเป็นความตายนี่มีเท่ากันเกิดจะมีภัยรอบด้านแล้วเราทาใจปล่อยวางได้หรือเปล่าก่อน ถ้าเรายัางปล่อยกายไม่ได้แล้วเราจะเข้าไปปล่อยใจไม่ได้เพราะใจมันยากกว่าการปล่อยกายอีกหลายเท่าด้วยกันอ่าถามนะอย่าเล่านะชอบเล่าด้วยกันนะพูดถึงเรื่องกลัวผีนะคะตอน จะบอกว่าไม่เล่าก็เล่าอะค่ะ <c oughs> ก็คือตอนที่เก็บตัวภาวนาจริงๆอะค่ะ <c oughs> ก็คงอยู่ที่เดียวกับที่หมอกร้อยพูดอะค่ะ <c oughs> มันก็มืดอะค่ะเพราะไม่ได้เปิดไฟแต่ตอนที่ภาวนาคิดว่าถ้าใครภาวนาจริงๆในเบื้องต้นเนี้ยเวทนามันออกมามันมันรุนแรงเกินกว่าที่จะคิดกลัวผีนะคะับว่าจะ ก็ตอนขณะที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังก็มีโยมท่านหนึ่งแทรกขึ้นมาว่าผีหลอกหรือเปล่าตัวหนูเองหนูตอนนั้นก็หันไปคงหลอกไววมั้งเพราะว่าตอนที่เก็บตัวภาวนาเวลาเราสู้กับกิเลสจริงๆเนี้ยยังมีตัวกิเลสตัวอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวผีอย่างเดียวกิเลสอยู่ตัวนั้นในอยู่ภายใต้ผิวหนังเราเอง ที่หนูพิจารณาปัจจปริอันโตหนูคิดว่าที่ครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาอยู่แค่กายอยู่แค่ใจถ้าเราพิจารณาแล้วเก็บตัวแค่นี้สู้กับกิเลสแค่นี้คงไม่ต้องออกไปสู้กับผีที่ป่าช้าในระดับต้นนะมังกรอาจารย์อืมอ่าไม่ถามต่ออ่าอ่าช่วยพูดผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินเสียง เรียนทนอาจารย์นะผมธรรมะอาชาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มากนะพูดใกล้ๆไนงะพูดครับก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงแล้วก็ก็ดังว่าไงพูดไปเลยก็เป็นเรื่องของการทํางานนะฮะช่วงระยะทํางานมาก็เกือบสามสิบปีแล้ว แต่ก็ทราบว่าการมีสมาธิสําคัญเวลาเจอเข้าผู้ธคนมากมายในหลายสถานการณ์ก็มักจะตัดสินใจเร็วหรือ ร, อ, รอรีแอคเร็วพอรียกไปแล้วก็มีในส่วนของที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องทีงนี้ก็มานั่งเสียใจว่าถ้าใช้เวลาในการยึดติดสองสักนิดหนึ่งไอ้สิ่งที่ถูกถูกต้องน่าจะมากกว่าก็เลยยนขอคําแนะนำจากท่านผู้ใหาจาร น, นะครับว่า จะทาให้ถูกต้องได้มากขึ้นไหมเพราะว่าใช้เวลาคิดแล้วเนี่ยรู้สึกใจเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ได้ตอบสนองไปแล้วนั่นรีแอคเร็วเกินไปเพื่อเรารต้องฝึกทั<ฤ>้งสมาธิทั้งปัญญาคือสมาธิเราก็ต้องรู้จักทําใจให้หยุดได้เวลาที่ไม่ควรพูดเราก็ต้องไม่พูดให้ได้ก่อนแล้วก็ส่วนปัญญาเราก็ต้องทําการบ้านหาคําตอบไว้ล่วกหน้าก่อนเพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์อาจจะต้องการคําตอบต่างกันไป ถ้าเราไม่ทำการบ้านก่อนถ้าเราตอบออกไปจากความเคยชินจากอารมณ์มันก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างได้ดังนั้นเราต้องฝึกทาสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราจะใจของเราจะมีเหตุมีผลมากขึ้นอารมณ์จะน้อยลงแล้วเราสามารถที่จ ะ, อะมองปัญหาหรือตอบปัญหาแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็จะมีเวลา ยับยั้งชั่งใจว่าพูดไปนี้ดีแล้วไม่ดีควรแล้วไม่ควรควรจะพูดมากพูดน้อยเพียงไรเพื่อที่จะให้ได้เกิดผลที่เราต้องการถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยใจมันจะไปไปตามอารมณ์ทันทีพอใครพูดอะไรมาใครทำอะไรมาจิตมันก็จะออกไปตามอารมณ์ซึ่งมาอารมณ์ของเราบางครั้งก็ดีก็มีอารมณ์ไม่ดีก็มี ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้ผลดีที่สุดก็ควรจะฝึกเจริญสมาธิและปัญญาสมาธิก็ทำใจให้สงบให้มีเหตุมีผลแล้วเวลาใช้ปัญญาก็ใช้หลักความจริงคิดตามเหตุตามผลว่าทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีช่างน้ำหนักอ่อันนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรม เอหมือนกับการที่เราทําอะไรต่างๆเราก็ต้องอบรมฝึกฝนเช่นเราจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดล้วก็ต้องหัดพิมพ์หัดพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชํานาญแล้วมันก็จะทําได้อย่างรวดเร็วแต่ในเบื้องต้นก็ต้องหัดจิ้มแป้ปนไปก่อนกินไปทีละตัวก่อนตอนที่เรายังฝึกสมาธิปัญญาอยู่เราก็อาจจะต้องช้าหน่อยก่อนที่จะตอบคําถามงื้ ก่อนที่จะทำอะไรไปให้ถูกต้องล้วอาจจะต้องใช้เวลานั่งคิดนอนคิดสักพักก่อนก็ได้แต่ถ้าต่อไปถ้าปัญญาเราสมาธิเราแก่กล้าแล้วเราก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วห ม, รหมดปัญหาแล้วนะ <c oughs> โอเควันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิสพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญในทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอพวันหา้นะคนับนี่คุณยได้ครับพวกมัญหายโทรวางตัวผลิตตามทุกคนอยู่ผลิต เวลาปิดสมองมัไม่ิดตัวาทุกรก็อมาิดมันก็คิดตัวเราก็จะาันคได้แต่้าไม่เเอ ก็นั่งสมาธ่ก็มาใหุ้กได้ทั่วค่ะถ้าอยากจะไม่ทุกอย่างสาวันก็อย่าอย่าไปอยากอย่าไปคิดในทางซ้คดอย่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ให้ยินดีตามมีตามเสรตามนี้ตามนี้อะไรกให้เราพอใจหลักจที่เรามนี้ได้ค่ะอยากได้ไม่ได้ก็คือโอเค ไม่อยากได้แล้วเาไม่รู้ว่าคไม่ไม่ขาไม่้เราว่าาไม่อยากพราไม่มีอะไรมาทำให้เขาอยากไปเายังไม่เสียเสียงนี้เขาอยากไปเราก็เสียเสียล้วก็สูดกับเราถ้าเราไม่อยากจะพูงในขนาที่เราสียเสียเราก็ต้องมันจะเสียเสียไป อย่าประหยัดด่างฝาดหยอกันไเปนไอาจารย์นะมีความอยากที่ทาให้เราทุกข์ไม่ใช่การสูญเสียการสูญเสียไม่ใช่ถ้านที่สูญเสียไม่ได้ทำอยากเขาก็ไม่สุกเสียก็เสียไปอ่ถ้าเาสูญเสียแล้วอยากจะได้คืนมันก็จะทุกข์ตอนนี้เนืก็สบายนั่งกายก็สบายเปนทุกข์สบา าหาใหม่ก็ได้ใช่ไหมถ้าไปแล้วจะทําไงของมันหาจะแล้วที่มันไปทางไหนมันอยู่อยู่มันอยู่ก็ต้องเคยอยู่ก็เหมันใจมันก้าวอยู่ก็เหมันไปตรื่มไหร จ, จะไปเมื่อเปลี่ยนใจชอบกับสิ่งที่เราอยู่ด้วยมันก็จบถ้าเราชอบแล้วรักสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีคามสุขน า, าชอบสิ่งที่เรามีอยู่จะได้ไม่ทุกข์ มันจะเป็นของเราคเดียวของคน อ, งอื่นอ่ก็เรื่องของคนเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือเราต้องทำใจให้เราไม่ทุกขนะ์กับมันนะอย่าอย่าไปอยากให้เขาไปหายไปหรือเป็นอะไรไปเพราะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาตามเรื่องเขาปล่อยวางนี่แหละคำว่าปล่อยวางถ้าพูดโธพูดโธเลยอย่าไปคิดถึงเขา พยายามพูดโทรพูดโทรไปถ้าคิดถึงเขาก็บอกเขาเป็นอย่างเนี้นะแต่ทาให้เขาเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมเขาเป็นกล้วยเราอยากจะให้ก็ไปเป็นสับประยุต์ได้เปล่าแค่นั้นเราอยากพยอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่ของเขาไปเดี๋ยวเขาจะกินเองพอเราไม่ต่อต้านแล้วมันก็จะหายทุดข์ต้องจากคำว่ายอมไหยอมอยูุ่ดยั้ง พอเรายอมแล้วเราก็หยุดแต่ตั้งหยุดไปอยากไปปลี่ยนเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพอเราหยุดความอยากได้เราก็จะเย็นนะตอนนี้ไปฝึกทำใจสงบกันอย่าไปคิดถึงเรื่องของเขาพอพอใจสงบแล้วพอไปคิดแล้วเราเราจะปล่อยได้เราเออเขาก็เป็นอย่างงี้เราอยากจะให้ไฟมันไม่ร้อนได้ครือ่า ไฟมันต้องร้อนถ้าเราไม่อยากจะถูกไฟไหม้เราก็อย่าไปจับไฟแล้วไวไฟไวอย่าไปอย่าไปพยายามจับไฟถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไปดับไฟต่อให้ไฟเันไหม้ไปถ้าเราไปเอามือไปดับไฟมือเราก็เผาถูกไฟแล้วบ้าหนูไฟไหม้หมดเลยไม่หลือเลยเลือสองคนนี้ออก็ไม่เป็นไรเรายังมีอยู่ของนอกกายหามเมื่ก็ได้ใช่ไหม หรือทำใจเฉยๆไปเดี๋ยวเวลามันก็จะรักษาแผลใจเราเองเดี๋ยววันเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นไปเองไม่มีอะไรท้าวรนแน่แท้ท้าว